เกิดไม่แล่ะถ้ากันงมแงงอแงเนาะหาอยูห่หากินใสงอแงงอแงใไปคือปูเหนียวใส่ใส่วไปหาอยู่หากินไปนี่แหละเหลี่ยงซนเหลี่ยงโซเจ้าของแต่มันแย่ขึ้นเครื่องหาดเื่องแยงกันตีกันขากันอ่าเลคนห้นอยู่ยอยยยยของน้อยๆมัดอกหนึ่ง่ากันตาย ฆ่ากันตายคิดกันมักกันเทียงกันยกพวกไปคากันไปตีกันตีดีตีดอนเดี๋ยวนั้นเป็นเดินอยู่กับไปแบงเอาหนีฟ้องไข่หนึ่งฟ้องเจ้าเอาไะเอาเยองนั่นแหละแต่ก่อนนี่ไปยางเตียวฟ้าเนี่ยไปได้ตลอดเดี๋ยวนี้ใส่ระมีเจ้าหัวหัวกไปกันเอานั้นตีนผูนั่นมึงอยังมึงนั่นน่ะมิตรฟอนผีเห็น คเพิ่งหยาดคู่หนึ่งบว่เอาไปกั้นเอาเมัดมีแต่หัวใจเห่าท่ายบาทไปนี่พอแต่หัวข้าหัวเขาเอามัดไปหยาดเอาแดงเอาดินบ้างหันคอยไปกั้นเอาแลว้ววันนี้คอยไปกั้นเอาแลว้วเนี่ยังบอท่านแก่จใจไปเลยไปเอาหลวงมามาออกสนดเป็นศีลป์ข้อยเลยจอิงๆแต่ไม่ถอยตายเลยยังบอท่านถอยไปละต้องให้ลูกข้อย ไเมีย่คยคล้ายไอน่องคล้า น, นุ่งคลยรนี่ป็นคนสีเอากวางเขาไปา็นพวนนแหงแเป็นประเทศนีประเทศไต้ประเทศเล่าว่าท่นแวนเป็นประเทศบ้านเมืองนี่แต่ะยุอยู่ละสมัยเนี่ยกับเพียนเนี่ยกพคืกันดอกแต่กี่นี่เมืองศีลศาสนาคณะพุเมือ ง, องอยังแน่นอ้อมะพมกัน มาเฮ็ดคอยกันเฮ็ดผาดผนุ่มเนี่ยตะกีดหลายเมืองแต่ละเมืองเขาก็อยู่ไปอยู่มัห น, นึ่มีปลาออกนอกบ้านนอกเมืองไ ป, เ ป, ป, เ, ป, ปเป็นปลาเป็นปลานี่เป็นปลาของต้นกลางได้แต่ใส่ยัยงฝ่อเมืองเจ้าเมืองเลยสร้างกันเป็นผู้อยู่ในที่ใน่ามเติบอยู่มาคอยกันเฮ็ดผาดผนมุมต่อมากอาแบงแล้วฮะนี่แบงประเทศ เป็นฝาเป็นลงก็ตามผู้เขาก็ตามไปแดงเอาไปกันเอาีปของขอยเอาไปของขอยก็นไม่ของประเทศไทยของขอยกัไม่ของปเทศเล้ามาที่นี่แดงไปแดงมากพระาสนนมเขาเลยยืนในเขตไทยไง่อ้เกียรต้ภูมิเฮ็ดมาสางคนันค้นอยู่เบืองล่างมีอยู่เบืองข้ก็นี้อยู่เบืองอื่นก็ูี่นหนึ่งก็อยู่ในเไทยบัดิเขามาก มากรมาไหว้พระเจาพทะนุ่มเหมือนกบพดได้ไหมต้องขออนุญาตเทแต่ความประสงค์ขออนุญาตดอกมากราบมาไหว้ได้หรอกเดี๋ยวนี้มันเขากันเอาเดินหมดแล้วไปก็ได้ท่านแต่ยังสิเหมอดอน่ะคนเกิดมากแล้วน้นเฉียวหาอยู่หากินครับก็ดหา ก, หา ก, กี้ไปเห็นอันไหนก็เอาให้นน่นี่งก็เอาเอาเป็นของเจ้าของงาน่ะเต็มเี่ กันไปใครๆแล้วเอ้ยหมดเวลาแล้วผู้เจ้าไปหนีหนีหนีเมื่อเขาสิ่งไปแล้วเอาลงไว้ของกันเจ้าเอามา่ไว้นี่เอารงไว้ว่างไว้ไม่มดไปใหนี่ไปที่ตัวคนรุ่นหนูเด่นก็ว่าผู้ใดเอาไวรัสกัตตังเอาทิมออกไปได้บ้างเนี่ยผู้ใดฝนมาได้กองบางย้ากับตัวทิมออกไม่ยีละกองบางยายผู้ใดกินเขาได้หละไรอ้วนพี่เนี่ย ิมไปนี่แหละเอเดนต์ไปนี่แหล ะ, ดด ไ, ปละไปทำเม็นใช้เขานีแหละขนานี้กระดูกกระเดี่ยวจะทิมไปนี่กองขังยากนี่นี่แหละเอาไปหลอกข้นเอาไปทำ เ, เม็นใช้ข้อนี่นี่แหละแค่ น, นั้นแหละแน่ไฟในยังขนาตใหญใหมันไปต่อวันเมื่อีดยังดอกขันจีมาเอาแน่วันห้เข้าบายได้ค่ำได้เดี๋ยวเห็นอยู่นี่ บอกว่าได้องอย่างเนี่นยแนบมูนินี้ยเมลข้าวเหนียวเห็นกระจ้อื่นเขา้า็เหนียวเห็นโลกเนี่ยขาวเหียวเห็นอยู่ก็เอาของเขาไปคลื่นอยู่อันเนี้ยเขาจะเอาไปมันเป็นฟองเข่าเน่ยมันเป็นยู่ใจเอาใจมาปัว่วละเอาใจมารักษารักษาเหตุใจมันมี่คิดลิศมีลิศมีเดชมีคุทธธรรมเผาเอะไรย่างไดอันใ น, ใ น, ในี้สิเราเอาไปได้ล่ะ หาอยู่หากลินยางกองก่อยกองก่อยไปพ่ อ, พอมี่ชีวิตแล้วอยู่ได้แล้วนี่ยอย่าลืมติแฉะอย่าลืมใจเดี๋ของติดแทะเนี่ยใจเป็นเรื่องสําคัญคนเท่ากันพ่มี่ใจนะพ่อมี่อย่างเด้หักกับพ่มี่านกับ่มี่อนกับพ่มีเนียมันตายคนเอไฟไมจ่จูไฟ่หม่เกิดจากเกิดจัดเกิดบ่เป็นอย่างเนี่ย บ่ห้องโอ้ยโอ้เจ็บเลยบ่หวานเลมันยังฉลาดใจนะใส่ย่ำเอาใจเป็นสียางไป่ยางมาอยู่หรือนั่งอยู่กับกำนดใจเลยอยาให้ใจมันตีงยใหญ่มันดินให้มันอยู่อยู่หุ่มอยู่เย็นเป็นฉลาดมันยังดีเป็นประโยชน์ประการเกิดมาพอเขาคุ้นเจ้าพอเขาศาสนาแล้วนะบ่ได้ยังนเผา